ชีวิตคนเกิดอย่างไรไม่เที่ยงแท้มีทั้งแพ้และช น, นะน่าสับสนเกิดไม่ดีทำตัวดีมีมากคนพอระชนอย่าไปทำะย่าึำใจ